วัดเจของภิกษุผู้ควรแก่มานัตภิกษุทั้งหลายภิกษุผู้ควรแก่มานัตพึงประพฤติโดยชอบการประพฤติโดยชอบในเรื่องนั้นดังนี้ภิกษุผู้ควรแก่มานัต 1. ไม่พึงให้อุปสมบท 2. ไม่พึงให้นิสัย 3. ไม่พึงใช้สามเณรอุปถาก 4. ไม่พึงรับแต่งตั้งเป็นผู้สั่งสอนภิกษุณี 5. แม้ได้รับแต่งตั้งแล้วก็ไม่พึงสั่งสอนภิกษุณี 6. ไม่พึงต้องอาบัติที่เป็นเหตุให้สงต้องทำให้เป็นผู้ควรแก่มานัดอีก 7. ไม่พึงต้องอาบัติอื่นทํานองเดียวกัน 8. ไม่พึงต้องอาบัติที่เลวทรามกว่านั้น 9. ไม่พึงตำหนิ ก, กรรม1ิบ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 สิไม่พึงให้ภิกษุอื่นให้การ 18. ไม่พึงชักชวนกันก่อความทะเลาะ 19. ไม่พึงเดินนําหน้าปกตาตะภิกษุ 20. ไม่พึงนั่งข้างหน้าปกตาตะภิกษุ 21. พึงพอใจอาสนะสุดท้ายที่นอนสุดท้ายวิหารสุดท้ายของสงที่จะให้เธอ 22. ไม่พึงมีปกตัตตะภิกษุเป็นปุเรสมณะหรือเป็นปัจฉาสมณะเข้าตระกูล 23. ไม่พึงสมาทานอารัญญิกังคทุดง 24. ไม่พึงสมาทานปินดาปาติกังคทุดง 25. ห้าไม่พึงให้เขานำบินทบาทมาส่งเพราะปัจจัยนั้นด้วยคิดว่าคนอย่าได้รู้จักเรา 26ไม่พึงออกจากอาวาสที่มีภิกษุไปสู่อาวาสซึ่งไม่มีภิกษุเว้นแต่ไปกับปกจัตตภิกษุเว้นแต่มีอันตราย27ไม่พึงออกจากอาวาสที่มีภิกษุไปสู่สถานที่มิใช่อาวาสซึ่งไม่มีภิกษุเว้นแต่ไปกับปกจัตตภิกษุเว้นแต่มีอันตราย28 ไม่พึงออกจากอาวาดที่มีภิกษุไปสู่อาวาดหรือสถานที่ไม่ใช่อาวาดซึ่งไม่ม <kaha alah> <29. S 2> ีภิกษุเว้นแต่ไปกับปกตัตตะภิกษุเว้นแต่มีอันตราย29ไม่พึงออกจากสถานที่ที่ไม่ใช่อาวาดซึ่งมีภิกษุไปสู่อาวาดซึ่งไม่มีภิกษุเว้นแต่ไปกับปกตัตะภิกษุเว้นแต่มีอันตราย 30ไม่พึงออกจากสถานที่มิใช่อาวาดซึ่งมีภิกษุไปสู่สถานที่มิใช่อาวาดซึ่งไม่มีภิกษุเว้นแต่ไปกับปกตัตะภิกษุเว้นแต่มีอันตราย31ไม่พึงออกจากสถานที่มิใช่อาวาดซึ่งมีภิกษุไปสู่อวาาหรือสถานที่มิใช่อาวาาซึ่งไม่มีภิกษุ เว้นแต่ไปกับปกัตตะภิกษุเว้นแต่มีอันตราย 32. ไม่พึงออกจากอาวาสหรือสถานที่ไม่ใช่อาวาสซึ่งมีภิกษุไปสู่อาวาสซึ่งไม่มีภิกษุเว้นแต่ไปกับปกัตตะภิกษุเว้นแต่มีอันตรายสาไม่พึงออกจากอาวาสหรือสถานที่ไม่ใช่อาวาสซึ่งมีภิกษุ ไปสไู่สถานที่ไม่ใช่อาวาตซึ่งไม่มีภิกษุเว้นแต่ไปกับปกตัตตะภิกษุเว้นแต่มีอันตราย 34. ไม่พึงออกจากอาวาตหรือสถานที่ไม่ใช่อาวาตซึ่งมีภิกษุไปสู่อาวาตหรือสถานที่ไม่ใช่อาวาตซึ่งไม่มีภิกษุเว้นแต่ไปกับปกตัตตะภิกษุเว้นแต่มีอันตราย35ห ไม่พึงออกจากอาวาสที่มีภิกษุไปสู่อาวาสซึ่งมีภิกษุเว้นแต่ไปกับปกตัตตภิกษุเว้นแต่มีอันตราย3ามสิบหกไม่พึงออกจากอาวาสที่มีภิกษุไปสู่สถานที่มิใช่อาวาสซึ่งมีภิกษุเว้นแต่ไปกับปกตัตตะภิกษุเว้นแต่มีอันตราย3ามสิบเจดไม่พึงออกจากอาวาสที่มีภิกษุ ไปสู่อาวาสหรือสถานที่ไม่ใช่อาวาสมีภิกษุซึ่งมีภิกษุเป็นนานาสังวาสอยู่ด้วยเว้นแต่ไปกับปกระทตะภิกษุเว้นแต่มีอันตรายไม่พึงออกจากสถานที่ไม่ใช่อาวาสมีภิกษุไปสู่อาวาสมีภิกษุซึ่งภิกษุเป็นนานาสังวาสอยู่ด้วยเว้นแต่ไปกับปกระทตะภิกษุเว้นแต่มีอันตราย 39ไม่พึงออกจากสถานที่มิใช่อาวาดมีภิกษุไปสู่สถานที่มิใช่อาวาดมีภิกษุซึ่งมีภิกษุเป็นนานาสังวาสอยู่ด้วยเว้น แ, แต่ไปกับปกจจตกตะภิกษุเว้นแต่มีอันตราย40ไม่พึงออกจากสถานที่มิใช่อาวาดมีภิกษุไปสู่อาวาดหรือสถานที่มิใช่อาวาดมีภิกษุ ซึ่งมีภิกษุเป็นนานาสังวาสอยู่ด้วยเว้นแต่ไปกับปัจัตตาภิกษุเว้นแต่มีอันตราย41ไม่พึงออกจากอาวาสหรือสถานที่ไม่ใช่อาวาสที่มีภิกษุไปสู่อาวาสมีภิกษุซึ่งมีภิกษุเป็นนานาสังวาสอยู่ด้วยเว <Disease. S 2> ้นแต่ไปกับปัจัตตาภิกษุเว้นแต่มีอันตราย <craft> 42ไม่พึงออกจากอาวาส หรือสถานที่ไม่ใช่อาวาสที่มีภิกษุไปสู่สถานที่ไม่ใช่อาวาสมีภิกษุซึ่งมีภิกษุเป็นนานาสังวาสอยู่ด้วยเว้นแต่ไปกับปกตัตตะภิกษุเว้นแต่มีอันตราย 43. ไม่พึงออกจากอาวาสหรือสถานที่ไม่ใช่อาวาสที่มีภิกษุไปสู่อาวาสหรือสถานที่ไม่ใช่อาวาสมีภิกษุ ซึ่งมีภิกษุเป็นนานาสังวาสอยู่ด้วยเว้นแต่ไปกับปกจัตตะภิกษุเว้นแต่มีอันตราย44พึงออกจากอาวาสที่มีภิกษุไปสู่อาวาสที่มีภิกษุซึ่งมีภิกษุเป็นนานาสังวาสอยู่ด้วยเว้นแต่ไปกับปกจัตตภิกษุเว้นแต่มีอันตราย45พึงออกจากอาวาสที่มีภิกษุ ไปสู่สถานที่มิใช่อาวาดมีภิกษุซึ่งมีภิกษุเป็นนานาสังวาดอยู่ด้วยเว้นแต่ไปกับปกจจตตะภิกษุเว้นแต่มีอันตราย 56. พึงออกจากอาวาดที่มีภิกษุไปสู่อาวาดหรือสถานที่มิใช่อาวาดมีภิกษุซึ่งมีภิกษุเป็นสมานสังวาดอยู่ด้วยถ้ารู้ว่าเราสามารถถึงในวันนั้นแหละ47 พึงออกจากสถานที่มิใช่อาวาดมีภิกษุไปสู่อาวาดที่มีภิกษุซึ่งมีภิกษุเป็นสมานะสังวาสอยู่ด้วยถ้ารู้ว่าเราสามารถไปถึงในวันนั้นแหละ48พึงออกจากสถานที่มิใช่อาวาดมีภิกษุไปสู่สถานที่มิใช่อาวาดมีภิกษุซึ่งมีภิกษุเป็นสมานะสังวาดอยู่ด้วยถ้ารู้ว่า เราสามารถไปถึงในวันนั้นแหละ49พึงออกจากสถานที่มิใช่อาวาสมีภิกษุไปสู่อาวาสหรือสถานที่มิใช่อาวาสมีภิกษุซึ่งมีภิกษุเป็นสมานสังวาดอยู่ด้วยถ้ารู้ว่าเราสามารถไปถึงในวันนั้นแหละ50พึงออกจากอาวาสหรือสถานที่มิใช่อาวาดมีภิกษุ ไปสู่อาวาสที่มีภิกษุซึ่งมีภิกษุเป็นสมาณสังวาสอยู่ด้วยถ้ารู้ว่าเราสามารถไปถึงในวันนั้นแหละห้าสิบเอ็ดพึ่งออกจากอาวาสหรือสถานที่มิใช่อาวาสมีภิกษุไปสู่สถานที่มิใช่อาวาสมีภิกษุซึ่งมีภิกษุเป็นสมาณสังวาสอยู่ด้วยถ้ารู้ว่าเราสามารถไปถึงในวันนั้นแหละ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 ไม่พึงอยู่ในสถานที่มิใช่อาว่าที่มุงบังเดียวกัน55ไม่พึงอยู่ในอาว่าหรือในสถานที่มิใช่อาว่าที่มุงบังเดียวกัน 56. เห็นปกตาตะภิกษุแล้วพึงลุกจากอาสนะ 57. พึงนิมนต์ปกตาตะภิกษุให้นั่ง58ไม่พึงนั่งบนอาสนะเดียวกันกับปกักกาตะภิกษุ 59เเมื่อปกัตตะภิกษุนั่งบนอาสนะต่ำไม่พึงนั่งบนอาสนะสูง60เมื่อปกจัตตะภิกษุนั่งบนพื้นดินไม่พึงนั่งบนอาสนะ61ไม่พึงเดินจงกรมในที่จงกรมเดียวกันกับปกตัตตะภิกษุ 62. เมื่อปกตัตตะภิกษุเดินจงกรมอยู่ในที่จงกรมต่ำ ไม่พึงเดินจงกรมในที่จงกรมสูง 63. เมื่อประกตัตระพิกสุเดินจงกรมอยู่ที่พื้นดินไม่พึงเดินจงกรมในที่จงกรม6 4ถึง74ไม่พึงอยู่ในอาวาสที่มุงที่บางเดียวกันกันกบพิกสุผู้อยู่ปริวาสกับภิกษุผู้ควรแก่การชักเข้าหาอาบัตเดิม กับภิกษุผู้ควรแก่มานัดที่มีพันสาแก่กว่ากับภิกษุผู้ประพฤติมานัดกับภิกษุผู้ควรแก่อภานไม่พึงอยู่ในสถานที่มิใช่อาวาดที่มุงบังเดียวกันกับภิกษุผู้ควรแก่อัภานไม่พึงอยู่ในอาวาดหรือสถานที่มิใช่อาวาดที่มุงบังเดียวกันกับภิกษุผู้ควรแก่อภาน ไม่พึงนั่งบนอาสนะเดียวกันกับภิกษุผู้ควรแก่อภาน75เมื่อภิกษุผู้ควรแก่อภัยนั่งบนอาสนะต่ำไม่พึงนั่งบนอาสนะสูง76เมื่อภิกษุผู้ควรแก่อภัยนั่งบนพื้นดินไม่พึงนั่งบนอาสนะ77ไม่พึงเดินจงกรมในที่จงกรมเดียวกันกับภิกษุผู้ควรแก่อภาย 78เมื่อภิกษุผู้ควรแก่อัพานเดินจงกรมอยู่ในที่จงกรมต่ำไม่พึงเดินจงกรมในที่จงกรมสูง79เมื่อภิกษุผู้ควรแก่อัพานเดินจงกรมอยู่ที่พื้นดินไม่พึงเดินจงกรมในที่จงกรมภิกษุทั้งหลายถ้าสงมีภิกษุผู้ควรแก่มานัดเป็นรูปที่สพึงให้ปริวาสชักเข้าหาอาบัติเดิม ให้มานัตสงมีภิกษุผู้ควรแก่มานัตนั้นเป็นรูปที่ยี่สิบพึงอับพานกรรมนั้นไม่จัดเป็นกรรมและไม่ควรทำวัด79ข้อของภิกษุผู้ควรแก่มานัตจบมานัตตารหวัตตะจบ